พอเปรียบเทียบกันนะนะคะสมถากับวิปัสสนาเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่มนรู้สึกว่ามนหลุดจากสมถะได้ได้มนว่าน่าจะร้อยเปอร์ซนตเต็มเข้าใจแล้วว่าอาการแบบไหนคือสมถะหรือวิปัสสนาก็แล้วมันเป็นสิ่งที่มนติดอยู่ในใจมาตลอดนะคะว่า ตอนสมัยที่มนปฏิบัติแบบอนาปนาสติเนี่ยเวลาที่ได้อารมณ์ดีมากๆซึ่งไปครั้งเดียวเนี่ยมนถือว่าไปไปไปได้ดีมากเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงที่ว่าหลังจากเราออกมาแล้วเราปฏิบัติเองเนี่ยพอเวลาสงบสงบนิ่งมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่เป็นก็ได้แต่มีคำถามอยู่ในใจไปต่อไม่เป็นก็เคยสอบถามครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่สามารถแก้ตรงนั้นได้ แต่ครั้งนี้เนี่ยโยมคิดว่าโยมเข้าใจว่ามันต้องไปต่ อ, อยังไงเวลาที่เราสงบเราต้องมีการพิจารณาอย่างไงก็จะนำการบ้านที่หลวงพ่อให้แต่ละวันเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมให้มันละเอียดลึกเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ทำมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความก้าวหน้าที่แตกต่างกันไปถึงแม้ครั้งที่1ครั้งที่2 อ, อาจจะรู้สึกว่า ไม่รู้เรื่องเลยฟังที่หลวงพ่อสอนภาษาบาลีรูปนามนามรูปนี้แบบปวดหัวไปหมดบอกกลับไปบ้านนี่จะ บ, บ, บอกน้องสาวว่าส่งฉันมาเรียนกับหลวงพ่อทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยแต่พอเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วมีความเพียรมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วปีที่ผ่านมาหนึ่งหกเนี่ยค่ะเป็นปีที่โยมปฏิบัติเรียกว่าค่อนข้างสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ทิ้ง แล้วก็มันมีความสุขวาพอหลังจากนั้นเนี่ยเอาเทปหลวงพ่อมาฟังเนี่ยมันจะมีความเข้าใจมากขึ้นอย่างครั้งนี้เนี่ยเวลามาฟังการปฏิบัติก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นจากที่ไม่เคยคือภาษาบาลีเป็นภาษาที่โยมเองไม่ถนัดคือเราฟังมันตั้งแต่เด็กแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าตอนแรกก็นึกในใจว่าเออเราจะเรียนรู้รายละเอียดพวกนี้ไปทําไมแต่พอตอนนี้ก็เข้าใจว่ามันมันสำคัญเมื่อ เราจเจริญสติไปได้มีความเข้าใจได้ระดับหนึ่งเนี่ยควรจะกลับมาดูรายละเอียดเพื่อให้มันแยกขายมากขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงต้นต่อจริงๆเพราะว่าเพียงแค่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยโยมคิดว่ามันถูกต้องมันดีแต่ว่าพอเราได้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วสังเกตรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยมันมันช่วยคลี่คลายอะไรหลายๆอย่างในใจที่ที่มนติดอยู่ได้ ได้เยอะพอสมควรแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มนปฏิบัติธรรมแล้วมนรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เป็นปกติมากที่สุดที่หมายความว่าเป็นปกติก็เพราะว่ามันมีความที่รู้สึกนุ่มนวนแล้วก็เป็นธรรมชาติซึ่งทุกครั้งที่ผ่า น, านมาเนี่ยการปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากยังติดอาการสมรถะเนี่ยตอนนี้จะเห็นข้อแตกตาา่างได้ชัดคือ เวลาติดอาการสมาถะเนี่ยมันจะมีความเพ่งหรือแช่ทิ้งไว้นานเนี่ยมันทำให้เวลาเราหยุดปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีปิติถึงแม้จะมีรู้ตัวทุวพร้อมแต่มันจะมีปิติอยู่ข้างในลึกๆที่ถึงแม้มันจะชัดจะดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ปกติเหมือนเหมือนครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เลยทำให้รู้เลยเข้าใจถึงถึงสภาวะส่วนสถานที่ที่นี่ โยมคิดว่าสั ป, ปยะดีมากตั้งแต่ตามปฏิบัติการหลวงพ่อมาสวนส้มที่เฟสโน่หรือว่าที่ชิคาโกเองก็ตามก็สู้ที่นี่ไม่ได้เลยนะคะถึงโดยเฉพอย่างยิ่งห้องปฏิบัติห้องนี้โยมคิดว่าดีมากเพราะว่าอีกอย่างนึงสถานที่ ท, ที่นี่มันเงียบด้วยแล้วก็คนพลุกพล่านน้อยะฉะนั้นมนว่าเหมาะกับการที่ผู้ปฏิบัติจะมาใช้ที่นี่แล้วก็ ส่วนผู้ปฏิบัติทั้งนี้เนี่ยก็น้อยมันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับการติวเข้มจากหลวงพ่อซึ่งยงคิดว่าอันนี้ดีมากแล้วก็อย่างพวกเราก็เก็บวาจากันดีแล้วก็มลอยากจะแนะนําว่า เ, เวลาเข้าคอร์สปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะมลอยากให้เข้มงวดมากๆกับผู้ปฏิบัติคือว่าให้เก็บมือถือทุกคนเลยค่ะวันแรกให้จัดการทุรไลเสร็จแล้วก็เอามาเก็บกับ หลวงพ่อหรือเก็บกับใครก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นแล้วตกกลางคืนน่ทุกคนก็ยังทำใจไม่ได้ที่จะต้องคอยเช็คลายเช็คอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นการออนอกจากทำให้ดึงผู้ปฏิบัติลงแล้วมันจะไปรบ ก, กวนคนข้างๆด้วยนะคะอันนี้ทางเพเห็นโยมแล้วก็การเก็บวาจานี่สำคัญมาก ค, คือคือมนเคยไปโกเองก้ามารู้ว่าเขาเข้มงวดมากคือเราลงทะเบียนปุ๊บหลังจากนั้นเขาบอกเก็บวาจาคือเก็บ แล้วเวลาถ้าเราพูดนะฮะจะมีผู้คุมเดินมาสกิดสั่งให้หยุดว่าห้ามพูดแล้วก็แม้กระทั่งการ เ, เราจะออกไปไหนทําไมต้องแบบระวังแล้วก็เขาจะมีการบอกแล้ว่าห้ามส่งสายตาสื่อสารกันถ้าใครทําหรือทําส่งภาษามือกันอย่างเงี้ยเขาก็เดินมาห้ามละแล้วอย่างเวลาเราแต่ที่นู้นมันนั่งหลับตาปฏิบัติเนี่ยพอเราเหนื่อยเราอยากจะลืมตาพอลืมปุ๊บ มีคนมาส ก, กิดอีกละให้นั่งหลับตาต่ออะไรประมาณนี้นะคะคือเขาจะเข้มงวดมากตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเเข้มงวดอะไรกันขนาดนี้แต่คือมันได้ผลเพราะว่ามันทําให้จิตเราสงบและรวมลงเร็วเราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่เวลากินข้าวต่างคนต่างนั่งกินเนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกนี้คนเดียวเนี่ยมันทําให้การที่เราไม่คุยกันระหว่างกินข้าวหรือว่าตอนไหนก็ตามแม้กระทั่งกับแม่ครัวเนี่ย แม่ครัวที่ออกมาเตียมมาหาเนี่ยจะก้มหน้าจะตลอดจะไม่มีการคุยเราจะเอาอะไรเนี่ยต้องไปหาผู้คุมอย่างเดียวเขาจะบอกเลยว่าผู้คุมคือใครอยู่มีปัญหาหรือคําถามอะไรติดข้องอะไรให้ถามคนนี้ห้ามคุยกับแม่ครัวห้ามคุยกันเองเด็ดขาดซึ่งอยอมว่ามันมันได้ผลมากๆเพราะว่าทําให้จิตรวมเร็วเพิ่งการไปบัติครั้งนั้นเนี่ยประมาณวันเอ่อที่6ที่เจ็ดมลก็รวมแล้วมันก็ดีมากๆากมื่อเมื่ลคิดว่าถ้า คอต่อไปไม่ว่าจะจัดที่ชิคาโกหรือจะจัดที่นี่เนี่ยยมอยากจะขอเป็นผู้คุมเองอยากจะขอเริ่มต้นบอกให้ทุกคนว่าเหตุผลคือตอนชิคาโกเนี่ยก็ก็เริ่มคราวที่แล้วนี่เราก็เริ่มแล้วว่าให้ช่วยเก็บมือถือแต่ปรากฏ ว, ว่ามันค่อนข้างจะไม่ไ ม, ไม่ได้ผลแล้วก็ควบคุมลำบากเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทักท้วงมากแต่ถ้าครั้งต่อไปเนี่ยคงจะต้องเป็นคนร้ายสหน่อยค่ะคอยควบคุม เพราะอยากให้เขาได้ผลดีแล้วมันมันจะเห็นผลจริงๆโอโ้โหโลกนี้มันสดใสเมื่อไม่มีมือถือไม่มีสิ่งข้างนอกเข้ามามันมันอยู่ได้นะคะก็รู้สึกดีใจกับครั้งนี้ที่มีพี่เจีย๊ยบแล้วก็พี่พันธุ์มาร่วมด้วยเพราะว่าทั้งสองคนก็เพิ่งเริ่มต้นก็อยากให้เขาได้เดินต่อแล้วก็มันเหมือนกับเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกระยาณมิตรเนี่ยมันก็ทิ้งเหมือนสอง สครั้งแรกของม น, นุษยต้องยอมรับว่าทําไปแล้วทิ้งเพราะว่ายังไม่มีศรัทธาแล้วมันก็รู้สึกว่าทําไปแล้วเออมันก็ได้อารมณ์เหมือนกับที่ฉันไปปฏิบั ต, ติโกเอง่าก็เลิฉันทําต่อสไตล์โกเอง่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอมาครั้งที่3ที่ไปที่ฟลอยิดานีค่ะถึงแม้ว่าอันนั้นสัพายาไม่ดีแต่ว่าพอเราเริ่มมาปฏิบัติแล้วมันมันเริ่มมีความมันเหมือนเคยผ่านมาก่อนมีความคุ้นเคยแล้วมันเกิดจุดเปลี่ยนตรงที่ว่า ที่มนุเข้าไปช่วยจัดการเรื่องของดาเลีย่ะคะว่าต้องทำยังไงมันเกิดเห็นปัญญาของตัวเองผุดออกมาลเลเฮ้ยเราเห็นความชัดในความคิดของเราที่มันผุดออกมาเลยเออมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเวลาเราตั้งใจยกยกให้ชัดยกให้ อ, อ่อชัดๆเนี่ยมันมันจะแตกต่างภายในครั้งนั้นเลยเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเออวิธีนี้มันมีความแตกต่างตรงที่ว่าเราใช้ปุ๊บเห็นชัดๆเนี่ยมัน เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันออกมาเองแล้วก็ทุกครั้งที่กลับไปทํางานเนี่ยรู้สึกตัวเองฉลาดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วมลเป็นคนที่งานเยอะมากแล้วก็นอกจากงานแล้วก็ยังมีความผิดชอบด้านที่วัดด้านที่บ้านมันก็เลยรู้สึกว่าเครียดไปหมดแต่หลังจากปฏิบัติวิธีนี้แล้วเนี่ย ยอมรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วก็ตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยก็พยายามสังเกตแล้วก็พยายามประคองอารมณ์ตัวเองมีสติให้ได้ตลอดไม่ใช่เฉพาะในรูปแบบแต่ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเราจะดูตัวเองเลยว่าตื่นแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงคือพยายามตามให้ได้ตลอด ในกังวันถึงแม้จะงานเยอะเราก็จะคอยดูอารมณ์ตัวเองคอยปกติแล้วคนเราเวลาดูคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะดูปล่อยอจิตเราจะปล่อยออกไปที่คอมพิวเตอร์คิดร้อยเปอร์เซ็นเต็มแต่โยมจะพยายามคอยเช็คอยู่เรื่อยว่าเอา30 40ี่ิบถ้าเราไม่ได้ใช้ความคิดมากแล้วก็ทําความรู้สึกตัวอยู่ที่คีย์บอร์ดที่เมาส์ยืนอยู่นั่งอยู่จะทําความรู้สึกตัวแล้วก็ถ้าต้องใช้ความคิดมากเราค่อยค่อยเข้าไป ห, หมดอันนี้เป็นการทดลองว่าเอ้ยมันใช้ได้ผลไหมหรือว่าเวลาประชุม ในออฟฟิศเนี่ยก็ได้ผลมากเพราะว่าการที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยความการรับฟังความเข้าใจมันดีขึ้นเพราะว่าจิตเราไม่หลุดออกเราก็จะใช้วิธีที่คอยจับมือเราทำความรู้สึกตัวหรือยืนคุยอยู่กับเจ้านายแล้วก็ทำความรู้สึกตัวโยกไปโยกมาขยับนิดหน่อยอันนี้มันมันใช้ได้ผลมารู้สึกการรับฟังการประชุมเนี่ยเรามีความคิดความอ่านอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ นึกเลจะโหเดี๋ยวนี้เราฉลาดขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเลยทําให้สวดเออวิธีนี้เนี่ยทำให้คนโง่นี่มันฉลาดขึ้นนะคะก็แล้วอย่างหนึ่งคือพอเราปฏิบัติไปได้เราคันแล้วตอนกลางวันเนี่ยถ้าเกิดวันไหนส่วนใหญ่เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะปิดประตูห้องตอนกลางวันแล้วก็เดินจงกรมอยู่ในห้องสร้างความรู้สึกตัวเพราะมีความรู้สึกว่างานมันใช้ความคิดเยอะแล้วเราหลุดได้บ่อยเนี่ยสติมันหมดมันก็ต้องใช้อ่อ ความเพียรอีกนิดนึงแล้ว ก, กลับมาตอนเย็นถ้ า, ามีเวลาก็จะทําแล้วก็จะหาเวลาที่ว่าวันเสาร์หรืออาทิตย์เดี๋ยวนี้จะไปวัดน้อยลงคือจะอยู่กับคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือถ้ามีความจําเป็นโยมกับโยมเล็กก็จะแยกกันคือว่าไปหาสถานที่ปฏิบัติซึ่งที่ชิคาโกจะมีบ้านฝรั่งที่เขาเปิดให้เราเข้าไปใช้สถานที่ได้โยมก็ไปปฏิบัติที่นูน่นทั้งวันหรือว่าไปค้าง ไปสาวกับอาทิตย์มันช่วยได้เยอะเพราะบ้านเขาเนี่ยส ป, ปายะดีมีต้นไม้มีอะไระเขาทาเป็นกระต๊อบเล็กๆเราก็เข้าไปอยู่ในนั้นห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าเราเคยผ่านการเข้าคอส่องหลวงพอ่อที่ว่าไปอยู่เต็นท์ไปอยู่แรงมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับชอบที่ว่าเอออยู่เล็กๆเงี้ยเรารู้สึกไงบีบคั้นไหมแต่สถานที่แค่นิดเดียวเองมันมันก็ก็ช่วยได้มันรู้สึกว่าเออเราเราได้พัฒนานตัวเองคือและในชีวิตโดยรวมแล้วโยมว่า โยมมีความสุขมากขึ้นเยอะรู้จักปล่อยวางพยายามปรับความพอดีซึ่งจากครั้งนี้เนี่ยโยมคิดว่ามันจะไปช่วยพัฒนายโยมได้อีกเยอะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยโยมเองก็ได้คนที่ออฟฟิศก็มาเด็กนักเรียนเป็น ญ, ญาเอกก็มาได้มาถามว่าโยมทำอะไรที่รู้สึกดูสบายบายงานอยู่เยอะมากแต่อยู่ๆไม่ไม่เครียดบอกได้ไหมทาไมเขาเครียดอย่างนี้ก็บอกอ๋อฉัน ปฏิบัติเมดิเทชันบอกสอนได้ไหมโยงก็เลยเริ่มสอนเขาแค่ชั่วโมงเดียวนั่งสอนวิธีสร้างจังหวะเขาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็บโอกโหนี่เป็นครั้งแรกในรอบไม่รู้กี่ปีถ้าที่ฉันรู้สึกว่าฉันนั่งอยู่แล้วคุยอยู่กับยูเนี่ยแค่เ น, นี้ยนะฝรั่งเขารู้สึกเออมันรู้สึกเออเขารับได้เร็วแล้วเขาก็ไปบอกคุณครูของเขาครูขเขาก็เลยมาถามมนว่าจะช่วยสอนเด็กนักเรียนเขาได้ไหมเพราะที่แผนกมนเนี่ยมี เด็กนักเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกประมาณ200คนแต่เขาแผนกเขาอันนี้เนี่ยมันมีหลายแผนกแผนกนี้ประมาณสัก70คนแต่เขาบอกว่าเขาจะส่งอีเมลออกไปเพราะเขาลังพยายามหาใครก็ได้ที่มาสอนนักเรียนเขาให้มีการการจัดการบริหารการงานแล้วก็ความคิดให้ดีขึ้นยมบอกโยมโยมก็เลยบอกโอเคฉันจะสอนแบบง่ายๆตอนแรกก็ไม่แน่ใจเราจะสอนได้ไหมแต่อคิดในใจ เราก็แค่มายกมือสร้างจังหวกะกับเขามันก็ไม่ได้ยากอะไรเราไม่ได้ลงลึกถึงขั้นที่ว่ารูปหนา้ายังไม่ขนาด น, านั้นเพราะว่าโยมคิดว่ามันมันอันนั้นมันต้องอาศัยเวลาก็เลยเป็นการทดสอบตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการทําให้ตัวเองเนี่ยเร่งปฏิบัติเพื่อที่ว่าเราจะมีคําพูดอะไรที่จะมาพูดให้เขาเข้าใจในชีวิตประจาําวันมันก็ได้ผลเหมือนกันเพราะว่าจากที่เรานั่ง พยายามหาตำราฝรั่งมานั่งเลือกคำพูดเลือกอะไรคือเซลฟ์เฟเวอร์เนสอะไรยังไงให้เขาเข้าใจง่ายๆเพราะเราต้องพยายามเสื่อเขาให้ให้ให้ถูกเขาจะได้ไปใช้ถูกก็รู้สึกพอเราเตรียมเตรียมไปจดโน้ตไปพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่ได้พูดตามโน้ตแต่มันพูดตามความเข้าใจแล้วก็เอายมเล็กไปเป็นครูผู้สอนด้วยคือให้ยมเล็กช่วยประกบคนไม่เยอะมากวันแรกก็มาประมาณ4คนแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งหมด7คน จากที่เริ่มเด็กนักเรียนเจ็คนเนี่ยเขาก็บางคนมาทุกวันทุกวันแล้วก็มีครูมาร่วมด้วยปรากฏว่าตอนก่อนโยมจะมาเนี่ยครูขอให้ไปสอนเขาที่บ้านพระโยมบอกงั้นเรามารีทรีตกันที่บ้านอยู่วันเสาร์ก็ไปที่บ้านเขาทำกันสามชั่วโมงรวดเขาทำได้เขาชอบมากเห็นประโยชน์ตรงนี้คือโยม เ, เหตุผลที่โยมคิดว่าวิธีนี้ที่มันดีคือมันสามารถแค่ยกมือแค่เนี้ย เปิดตาเนี่ยมันมันใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเมื่อเรามีความชัดโยมรู้ <c oughs> รสึกว่ามันช่วยให้คนเขาเบริหารจัดการชีวิตเขาได้ดีขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่โยมรู้สึกว่าเอออยากจะแนะนําคนอื่น ต, ต, ต่อไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะคะ่ะก็อยากจะให้กำลังใจผู้ที่มาปฏิบัติทุกท่านเ น, นะคะว่า อ, อ, อย่าคิดว่าเออเราปฏิบัติแล้ไมเราฟังบาลีไม่รู้เรื่องมันเหมือนกันทุกคนนะคะ เพราะว่ามาครั้งแรกเนี่ยเราเรายังไม่รู้อะไรเลยกายเวทนาจิตนี่มันคืออะไรแล้วแต่หลวงพ่อท่านต้องเทศรวมๆเป็นองค์รวมเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นถ้า อ, าอีกอย่างที่โยมชอบเนี่ยคือว่าครั้งนี้เนี่ยหลวงพ่อจะให้การบ้านทุกวันถ้าโยมจะไม่ผิดสมัยก่อนจะไม่มีการบ้านทุกวันตอนสมัยแรกๆอะค่ะก็คือเราฟังเทศฟังอะไรเสร็จแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วหลวงพ่อก็มาสอบอารมณ์แต่การให้การบ้านทุกวันเนี่ยโยมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะมันทําให้เรา เหมือนนั่งวิเคราะห์วิจัยไปในวันนั้นพยายามนึกถึงที่หลวงพ่อพูดดูว่าอันนี้อันนี้เป็นจุดที่ดีแล้วก็ทําให้มีการก้าวหน้าแล้วก็การมาส่งอารมณ์กับหลวงพ่อเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะว่าบางอย่างเราคิดว่าเรารู้แล้วถูกแล้วแต่พอมาถามหลวงพ่อมันไม่ใช่มันก็มาพลิกแก้ไขแล้วพอวันต่อไปเราก็เอาจุดเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาดูรายละเอียดให้มันละเอียดมันถี่มากขึ้นโยมก็ว่าดีนะคะก็ขอให้ทุกคนจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ยมขออนุญาตพูดอีกเรื่องคือเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ผู้สอนโยมเห็นข้อแตกต่างอย่างมากเนะคะเพราะว่าที่โกเองก้าเนี่ยเขาเมีผู้สอนที่ไปเข้าคอร์สฝึกนะคะเขาก็พอฝึกเสร็จคงจะผ่านขั้นตอนว่าเออฝึกกี่ครั้งก็ออกมาเป็นอาจารย์ได้แต่จากประสบการณ์เนี่ยมันทําให้เนี่ยวันนี้มานั่งสรุปแล้วก็เรียนรู้ได้ว่าถ้าอาจารย์ผู้สอนไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยพานักเรียนหลงและเป็นบ้าได้เพราะว่า ครั้งนั้นเนี่ยโยมปฏิบัติได้ดีพอโยมเล็กไปเนี่ยโยมเล็กเกือบวิปลาสเพราะว่ามีอาการปิติสูงมีอาการที่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้กลับมาแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงนั่งขึ้นนั่งลงแล้วก็ตัวหมุนควบคุมอะไรไม่ได้แล้วก็อาจารย์เขาโทรมาเรียกโยมให้ให้มารับตัวเล็กกลับในวันที่เจยังไม่ถึงวันที่สิบแล้วเขาก็เมาถามมนบอกว่าเออทําไมคนมาโกเองก้าแล้วเป็นอย่างน้องอยู่กันเยอะ ตอนนั้นโยมก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่พอมาตอนนี้ยรู้เลยว่าสภาพ ค, คือว่าอาจารย์ไม่สามารถชี้แนะแนวทางหรือดึงคนที่ติดอารมณ์เนี่ยออกมาจากตรงจุดนั้นได้แต่ปล่อยให้กลับบ้านซึ่งอันนี้อันตรายมากซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เมืองไทยปฏิบัติโกเองก้าก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นคนที่เพื่อนของเพื่อนอะไรโทรมาถามว่าลูกสาวเขาไปปฏิบัติโกเองก้าตอนเนี้ย เหมือนคนบ้าไปเลยอ่ะส่งเข้าโรงพยบาบาลแล้วให้มนช่วยเขาหน่อยได้ไหมบอกโอ้ยมนช่วยไม่ได้หรอกส่งหาหมอดีแล้วเราช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเขาได้ข่าวว่าเล็กเคยเป็นแล้วเล็กหายก็เลยบอกมันคนละสภาพกาันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมนว่าการที่เราจะเรียนปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานหรือสมาธิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคู่บาอาจารย์สาคัญมากค่ะเพราะว่าจะเห็นข้อแตกต่างแล้วต้องกราบเรียนหลวงพ่อว่า หลวงพ่อเป็นผู้ที่ชี้ทางได้ละเอียดการที่จะให้หาคนที่ชี้แจงได้ละเอียดและเข้าใจเนี่ยมันหายากคือมันสามารถพิสูจน์ได้กับตัวเองเพราะว่าพอเราเราปฏิบัติไปแล้วเราสัมผัสได้กับอารมณ์ตรงนั้นพอโยมมาถามหลวงพ่อเนี่ยมันแก้ได้ปุ๊บในขณะที่มณฑ์ต้องขออนุ ญ, ญาตอ้างนิดนึงว่าอาจารย์รองคือคุณแม่สมพรเนี่ยาบางครั้งเวลาโยไปถามในคําถามเดียวกันเนี่ยมันแก้ไม่จบ มันไม่ใช่แต่ถามหลวงพ่อในหลวงพ่อจะคําเดียวปุ๊บมันหลุดโยมก็เลยอืมถ้าอย่างนี้มันคือการที่เราจะมีครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งโยมรู้สึกว่าเราก็ต้องดูดูเราด้วยเราไม่ใช่หลงเชื่ออย่างเดียวมันต้องมีการทดสอบมีการเช็คมีการว่าคนผู้นี้จะพาเราเดินถูกไหมซึ่งโยมคิดว่าอันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าเราจะเลือกครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีสิ่งที่สําคัญมากดูไม่ใช่ว่า ครูอาจารย์บอกมาแล้วทำแต่เราต้องสังเกตตัวเราเองด้วยว่าเราทำถูกไหมแล้วก็สิ่งที่ท่านบอกมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามัน make sense ไหมถ้าไม่ make sense ก็กลับไปถามท่านใหม่คือเราสามารถที่จะมีความเห็นต่างได้เพื่ อ, เ พ, อเพื่อมาปรับว่าเราถูกหรือมันยังไงมันขาดการสื่อสารมันผิดกันตรงไหนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ให้หลงเชื่ออย่างเดียวหลงเชื่ออย่างเดียวเนี่ย ถ้าอย่างไปโกงก้าเนี่ยเราเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อตาไม่เขาโดยให้เราไม่รู้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันอันตรายมากคนจะไม่เข้าใจนะคะเล็กเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าโยมส่งกับเข้าโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเล็กเนี่ยหลังจากกลับมาคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเล็กเขาแบบอาการคืเขารู้ตัวตลอดแต่เขาควบคุมไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เออเดี๋ยวเขาจะ เจ้าแม่กวนอิมเข้าแล้วนะมือเขาจะหมุนเขาเขาจะหมุนอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอเขาจะนอนเนี่ยตัวเขาก็นอนไม่ได้มันเด้งลอยขึ้นมาจากบนบนฟูกเงี้ยโยมก็นั่งดูเขาบอกเออไม่ต้องตกใจนะตอนนี้อะไรเขากําลังเข้าอีกกไม่รู้เขาเด้งขึ้นเด้งลงอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอนั่งไหว้พระอยู่เขาบอกเออไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะมาอีกละมันก็เด้งขึ้นเด้งลงอีกเป็นอย่างงี้ทั้งคืนมวนแล้วตอนหลังเขาก็บอกว่าเออเลมวนวนอันเนี้ยของฉันเนี่ยเขาเรียกว่าอาการ คุณดารินีโยคะบอกมีด้วยเหรอเขาบอกให้ช่วยโทรไปถามทีว่าจะแก้อย่างไมงมลก็โทรไปถามคุณดารินีโยคะพออธิบายเขาฟังเขาบอ ก, บอกส่งน้องอยู่เข้าโรงพยาบาลไม่งั้นอยู่จะเสียเสียน้องสาวอยู่โยมระยิบจับส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็บอกหมอหมอก็มาเล่าอาการเล่าอาการปลเล็กมือเขาหมุนไปอย่างเงี้ยมลก็เลยบอกหมอว่าฉันรู้วิธีอยู่ช่วยให้ยาสลบทเขาอย่างแรงเลยนะตอนนี้สมองก็ต้องการพัก พราะเขาไม่ได้นอนมาหลายวันเพราะว่าโกงก่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้าคนตั้งใจปฏิบัติจริงจิตมันตื่นมันตื่นมากตื่นมากแล้วมันหลับไม่ได้มันควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาจิตวิปลาดได้เพราะว่าโยมตอนปฏิบัติโกงฆ่าเนี่ยโยมก็จิตตื่นตื่นมากแล้วปฏิบัติได้ดีมากถึงขั้นที่ว่ า, าควบควมีสติที่สูงแต่ไม่รู้ว่านั่นคือสติเพิ่งมารู้ตอนนี้สติคืออะไรตอนนั้นมันเป็นสติที่แรงมาก เวลาคืนวันที่เจ็ดที่แปดในเวลามนอนอเนี่ยมันสามารถกําหนดจิตตัวเองหลับเห็นตอนวินาทีสุดท้ายปึ้งแล้วตื่นช่วงเวลาหลับแล้วตื่นเนี่ยหกชั่วโมงเนี่ยมันชัดมากไม่เคยเห็นโยมมันคิดว่าเฮ้ยนี่สงสัยอาการตายของเราเออลองปฏิบัติลองฝึกใหม่ว่าเวลามันจบโลงเงี้ยความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนแรกคิดว่าจะตายแต่พอเราอ๋อมันควบคุมได้เราก็เลยควบคุมหลับเห็นจนเหมือนอันเล็กๆเกงี้ยปุ๊บ แล้วก็เปิดปึ้งโหย้ยวิเศษที่สุดเลยโกเอก้าเนี่ยการปฏิบัติธรรมทาได้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้จะทําอะไรกับมันไปทํางานมีความสุขก็จริงแต่ว่ามันสุขอยู่กับตัวเราแล้วมันมันไม่เกิดปัญญาพ อ, พอตอนนี้มันมา น, นั่งเปรียบเทียบย้อนหลังนะคะมันมีโอ้ยจับปากกาเดินมีความสุขเหมือนตัวลอยเบาเหาะนี่มันคือแต่ยังโชคดีที่ที่คือมันตื่นจริงแต่กลับมาเนี่ยโยมต้องหยุดปฏิบัติเพราะว่า พอเริ่มทำงานมันเริ่มเพลียแล้วอะมันต้องการนอนละมันจะมานั่งตื่นแล้วก็ไปทำงานด้วยเนี่ยร่างกายมันไม่ไหวโยมโอ้ยปฏิบัติไม่ไหวแล้วมันแรงมากเลยต้องหยุดปฏิบัติแล้วพอเล็กไปเนี่ยก็มีปัญหาก็เลยเข้าใจว่าโอ้อันนี้อันตรายมากๆคือถ้าถ้าคนไม่รู้แล้วก็หลังจากปฏิบัติเนี่ยเวลาเขาเก็บวาจาพอเปิดวาจาทีเนี่คะเขาบออาทุกคนพูดได้โอ้โยมแทบอยากจะปิดหูเลย มันแบบมันดังมากแบบพูดแล้วมันมันเก็บกดมากหรโอ้โ ห, โ ห, โหทำไมมันแรงเลยขนาดนี้บอกโอ้ไม่ไหวเหมือนกันมันมันไม่ปกติอันนี้เลยจากที่สวดโมเลารู้ออจิตปกติกับจิตไม่ปกติมันเป็นยังไงเลยเพิ่งมารู้ตอนเนี้ย